จุดที่ธรรมะสนใจต่อทรัพย์จึงมีสองตอนคือวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ว่าได้มาอย่างไรและการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่มีหรือได้มาแล้วว่าจะใช้มันอย่างไรพูดสั้นๆว่าไม่เน้นการมีทรัพย์แต่เน้นการแสวงหาและการใช้จ่ายทรัพย์การมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วเก็บสะสมไว้เฉยๆ ท่านถือเป็นความชั่วอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการสแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดและใช้ทรัพย์ในทางที่เกิดโทษโดยในยะนี้ความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในขั้นต้นจึงมีสามอย่างคือการสแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมการครอบครองทรัพย์ไว้โดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์และการใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษ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 มีใจกลายเป็นเหตุเพิ่มความทุกข์ทำให้เสียคุณภาพจิตทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือทำให้มนุษย์ต่อมนุษย์แปลกหน้ากันด้วยเหตุนี้ในการจำแนกผู้ครองเรือนหรือชาวบ้านคือกามโพกี ok ki, เป็นสิบประเภทพระพุทธเจ้าทรงแสดงผู้ครองเรือนประเภทที่1ิบว่าเป็นผู้ครองเรือนที่ประเสริฐเลิศสูงสุด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 การมีปัญญาที่ทำให้เป็นอิสระไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์อย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษมีจิตใจเป็นอิสระด้วยนิสระณะปัญญาและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอยกพุทธพจน์ที่ตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์มาดูเป็นตัวอย่าง ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกไหนคือคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาบุคคลตาบอดเป็นชนิดบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน